ถ้าอยู่ดีๆมีความสุขได้เรื่อยๆโดยไม่มีใครทำอะไรให้แปลว่าคุณเป็นคนมีบุญคนบางคนมีความสุขในช่วงต้นวัยมากเพราะเกิดกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูดีแล้วก็รู้จักคิดดีได้เองจากข้างในอยู่ว่างๆเดินเล่นหรือวิ่งเล่นก็เกิดสุขเออล้นขึ้นมาเฉยๆอยากยิ้มอยากหัวเราะให้กับชีวิต ไม่รู้สึกว่าชีวิตบีไม่ทําหน้าเศร้าเลยสักวันมองด้วยตาเปล่าคนทั่วไปมักนึกว่าได้พ่อแม่ดีถือว่าจบโชคดีได้พ่อแม่ดีก็เป็นสุขแล้วแต่ข้อเท็จจริงคือบางบ้านมีลูกหลายคนพ่อแม่ดีเลี้ยงดูเท่าเทียมแต่ลูกบางคนคิดได้คิดดีขณะที่ลูกบางคนคิดเองทุกเอง คนเราเริ่มต่างกันตรงไหนเมื่อไหร่แน่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เริ่มเล็งศึกษาหาหลักฐานให้ชั ด, ชดว่า DNA อย่างไรที่เป็นพระเอกก่อให้เกิดวัยเด็กแบบคิดได้คิดดี DNA อย่างไหนที่เป็นผู้ร้ายสร้างวัยเด็กแบบคิดเองทุกเองขึ้นมาพูดง่ายๆนักวิทยาศาสตร์เริ่มระแคะระคายว่าวิธีคิดไม่ได้ก่อตัวจากสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ฟังอยู่ในเส้นเลือดตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะทำบุญจริงให้ทำบ่อยๆทำด้วยความพอใจเพราะการสั่งสมบุญจะช่วยให้เกิดสุขผลงานของบุญที่ผลิตสุขทางกายนั้นบางทีกว่าจะงอกเงยอาจต้องรอดูกันชาติถัดไปเช่นจากเดิมเกิดกับพ่อแม่ใจร้ายปล่อยให้อดอดอยาก แต่พอสังสมบุญอยู่ทั้งชาติเกิดใหม่ก็เปลี่ยนไปเกิดกับพ่อแม่ใจดีเลี้ยงให้อิ่มหมีพีมันเต็มพิกัดเป็นต้นถ้าว่าผลงานของบุญที่ผลิตสุขทางใจเมื่อจะงอกเงยออกดอกออกผลดูกันชาตินี้ได้เลยเช่นจากเดิมเป็นคนคิดมากเป็นทุกอกกลัดหนองอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ทั้งวันแต่พอตัดสินใจใหม่ อดคบคนที่ชวนให้มองดีมองต่างเข้ากระทูสว่างมากกว่ามืดแบ่งใจไปตามข่าวดาราทำความดีไม่เอาแต่หมกมุ่นกับข่าวดาราเตียงหักก็ได้สวยบุญด้วยการมีจิตใจปลอดโปรง่งโล่งสบายขึ้นบ้างแล้วแค่เปลี่ยนจากคบพานเป็นมิตรอันมาคบบัณฑิตเป็นเพื่อนก็เรียกว่าเป็นการทำบุญใหม่ในปัจจุบัน คุณจะรู้ตัวว่าได้ทําตามหลักให้เกิดบุญจริงๆก็เมื่อจิตเป็นกุศลมากกว่าอากุศลอยู่ว่างๆแล้วหาเรื่องคิดดีให้เกิดสุขมากกว่าคิดร้ายให้เป็นทุกข์สรุปคือบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขจริงๆแต่ต้องส่องกันให้เห็นชัดด้วยว่าถ้าบุญเก่าที่หล่อเลี้ยงกายใจให้เป็นสุขเริ่มออกอาการร่อยหรออยู่ดีๆมีความสุขขึ้นมาเองไม่ได้ ก็ต้องหาบุญใหม่ทําและต้องทํำบ่อยๆทําแบบที่พอใจไม่ใช่ตื่นมาใส่บาตรหนเดียวในรอบปีเราอ้างว่าทําบุญแล้วไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นตรงไหนอากสงสัยว่าทําบุญอย่างไรให้พอใจทําบุญแบบไหนถึงจะเกิดสงมนัตทําบุญแบบไหนจึงเรียกว่าได้บุญคือมีบุญพอจะเป็นสุขกันชาตินี้เลยก็ให้ถามตัวเองง่ายๆว่า เก่งอะไรถนัดทําอะไรให้ใครมีความสุขทําแล้วติดใจทําได้อีกบ่อยๆก็ให้เอาความเก่งนั้นแหละไปบริจาคเป็นทานอย่าคิดว่าการทําทานคือการให้เงินท่าเดียวหรือแม้ไม่เก่งอะไรเลยทําอะไรให้ใครไม่เป็นก็ยังมีสิทธิ์ทําบุญได้แล้วก็เป็นบุญขั้นสูงสุดด้วยคือเจริญสติรู้ความมิเที่ยงของลมหายใจ รู้ความไม่เที่ยงของสุขทุกรู้ความไม่เที่ยงของจิตแค่เห็นความไม่เที่ยงได้บ่อยพอก็เกิดสุขจากใจที่ปล่อยใจที่วางความไม่เที่ยงนั้นนันแล้ว